ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ตอนบ่ายสองโมงพวกเราก็มาร่วมกันฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกันเราจะทราบได้อย่างไรว่าการปฏิบัติธรรมของพวกเรานั้นก้าวหน้าได้ผลอย่างไรเราก็ต้องดูที่ ความทุกข์และความอยากที่เกิดที่ทำให้เกิดความทุกข์นี่เป็นตัววัดที่แท้จริงคือเราต้องเห็นว่าความอยากของเรามีน้อยลงไปความทุกข์ความไม่สบายใจที่เกิดจากความอยากต่างๆก็น้อยลงไปถึงจะ เห็นว่าถึงจะได้รู้ว่าเราก้าวหน้าอย่างแท้จริงถ้าเราไปวัดที่ตัวเหตุคือการกระทาของเราบางทีมันก็ยังทำโดยที่ไม่ได้ตรงกับเป้าหมายที่เราต้องการจะทำก็ได้เช่นเราทำทานมากขึ้นอย่างนี้เราอาจจะคิดว่าเราจเจริญก้าวหน้าเรารักษาศีลมากขึ้น เราก็อา จ, จคิดว่าเราจเจริญก้าวหน้าเรานั่งสมาธิมากขึ้นเราก็จะคิดว่าเราจเจริญก้าวหน้าแต่ถ้าความอยากของเรายังเท่าเดิมอยู่ยังมีเหมือนเดิมอยู่อันนี้ก็ยังไม่ถือว่าเราจเจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริงเพราะการทำทานเราก็อาจจะทำเพิ่มขึ้นมากขึ้นได้ เมื่อเรามีฐานะการเงินการทองที่ดีขึ้นมีเงินทองมากขึ้นเราก็ยังเราก็สามารถทำทานได้มากขึ้นไปเรามีเวลาว่างที่จะรักษาศีลได้มากขึ้นเราก็จะรักษาศีลได้มากขึ้นไปแต่เราต้องมาดูที่ ผลคือความอยากของเราว่าน้อยลงไปหรือไม่เช่นการทำทานของเรานี้เราทำทานเพื่อให้เรามีความอยากได้เงินได้ทองน้อยลงไปไม่ใช่ว่าเราทำทานแล้วพอเราได้เงินทองมามากขึ้นเราก็ทำทานเพิ่มมากขึ้นเพราะเราคิดว่ายิ่งทำมากขึ้นยิ่งได้เงินมากขึ้น อย่างนี้แสดงว่าเราไม่ได้ทำเพื่อลดความอยากแต่เราทำเพื่อเพิ่มความอยากคือเพิ่มอยากจะได้เงินทองมากขึ้นโดยคิดว่าการทาทานนี้เป็นอานิสงส์ที่ทำให้เกิดการได้เงินทองเพิ่มมากขึ้นถ้าทาทานแบบนี้ก็ไม่ได้เจริญก้าวหน้าในทางธรรม การเจริญก้าวหน้าในทางธรรมต้องเป็นการลดละความอยากการทําทางก็เพื่อเราต้องการลดละความอยากได้เงินทองได้ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองอยากให้มันน้อยลงไปอยากมีไว้พอมีพอกินพ อ, อยู่พอกินเท่านั้นมีมากไปกว่านั้นก็จะไม่เก็บเอาไว้จะเอาไป แบ่งปันเอาไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนการที่เรารักษาศีลก็เพื่อที่เราจะได้ตัดกําลังหรือขัดขวางความอยากให้มันน้อยลงไปให้มันทำให้การกระทำตามความอยากมันมนมันยากขึ้นคนที่รักษาศีลกับคนที่ไม่รักษาศีลนี่จะเห็นว่า เวลาจะทําอะไรตามความอยากนี้จะมีความแตกต่างกันจะมีความยากง่ายต่างกันคนที่รักษาศีลนี้จะยากกว่าคนที่ไม่รักษาศีลคนที่อยากได้อะไรเราต้องมาคํานึงว่าตอนเองรักษาศีลอยู่หรือไม่ถ้ารักษาศีลก็ทําไม่ได้อย่างนี้ ก็จะทําให้การทําอะไรตามความอยากนี้ยากขึ้นแล้วก็อาจจะทําให้ไม่อยากจะทําต่อไปได้เช่นถ้าเราจะต้องได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาแต่เราต้องต้องข่าต้องลักรพ์ต้องประพฤติผิดประเวณีต้องโกหกหลอกลวงต้องเสพสุรายาเมาเราก็จะ ไม่อยากจะได้อันนี้ก็เป็นการทําให้เราลดละความอยากลงไปการทําใจให้สงบก็เช่นเดียวกันการไทยทําใจให้สงบนี้ก็จะทําให้ใจเรามีความอิ่มมีความสุขจากการที่เราไม่มีความอยาก ทำให้เราไม่อยากได้อะไรเพิ่มมากขึ้นไปไม่อยากได้ความสุขทางตาหูจมูกม้นกายไม่อยากมีความสุขจากการได้เป็นใหญ่เป็นโตมีความสุขจากการที่จะต้องกําจัดสิ่งที่เราไม่ชอบไปแล้วถ้าเราจเจริญปัญญา เราก็จะเห็นโทษของความอยากเห็นผลของความอยากว่าจะมีแต่ความทุกข์ตามมาเพราะสิ่งที่เราอยากได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรนั่นเองเราได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเสียไปเช่นพวกนักการเมืองนี่เขาทุกสี่ปีเขาก็ต้องลงเลือกตั้งหนึ่งครั้ง ได้อะไรมาเขาก็จะหมดไปเป็นนายกก็เป็นได้สี่สี่แล้วเขาต้องกลับมาเลือกตั้งกันใหม่เป็นอะไรก็จะต้องมีววละที่จะต้องหมดไปยาวบ้างสั้นบ้างแต่ในที่สุดมันก็ต้องหมดไปเวลาหมดไปนี้เป็นเวลาที่ทำให้เกิดความเสีย อ, อกเสียใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา นี่คือสิ่งที่เราควรจะสอนใจให้ลำเลึกอยู่เรื่อยๆให้นึกอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงเราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้เขาอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดได้ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาแล้วเราก็จะเห็นโทษของความอยาก เห็นผลของความอยากว่าเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขเป็นสุขเบื้องต้นแต่มาทุกข์เบื้องปลายสุขตอนที่ได้สิ่งที่เราอยากได้อยากเป็นเราก็มาทุกข์ตอนที่เราไม่ได้เราต้องสูญเสียสิ่งที่เราได้มาสิ่งที่เราเป็นไปนี่แหละคือการวัดผลของการปฏิบัติธรรม ว่าที่ตัวความอยากนี้ว่ามีมีมากขึ้นหรือมีน้อยลงแล้วเราก็จะไดะ้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องได้ได้ผลที่เราควรจะได้คือความสงบความสุข ที่เกิดจากการไม่มีความอยากซึ่งเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้ความสุขที่เราได้จากการทำความอยากทำตามความอยากเป็นความสุขที่เหมือนกับยาขมเคลือบน้าตาลเป็นความสุขที่เคลือบความทุกข์หรือเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาที่หลัง เี่ลคือเป้าหมายของการปฏิบัติการปฏิบัติเพื่อให้เราได้กําจัดความอยากกาจัดความทุกข์ให้เบาวบางลงไปให้น้อยลงไปถ้าเราอยากจะกําจัดให้มันหมดไปได้นี้เราต้องเห็นเห็นความทุกข์ที่เกิดจากความอยากอย่างชัดเจน การจะเห็นได้อย่างชัดเจนนี้เราต้องเข้าไปเห็นในใจของเราเพราะความทุกข์ความอยากและความดับทุกข์และการละความอยากนี้มันเกิดขึ้นภายในใจของเรามันอยู่ข้างในใจมันไม่ได้อยู่ข้างนอกถ้าเรายังไม่ได้เข้าไปข้างในใจเราจะไม่เห็นความจริงอันนี้ แล้วเราก็จะเผลอได้ถูกหลอกได้หรือไม่แน่ใจว่าไอความอยากที่เป็นโทษกับความอยากที่ไม่เป็นโทษนี้เป็นอย่างไรก็ยังแยกแยะไม่ออกเช่นเราเราไม่อยากไปเที่ยวอย่างนี้บางทีเราก็อาจจะคิดว่าอันนี้เป็นกิเลสหรือเปล่าการที่เราไม่อยากไปเที่ยว หรือไม่อยากจะทำอะไรเราขี้เกียจหรือเปล่าอันนี้บางถ้าเราไม่ได้เข้าไปดูข้างในเราจะไม่รู้ว่ามันเป็นความอยากแบบไหนกันแนะ่ถ้าเป็นความอยากที่สร้างความทุกข์นี้มันจะทำให้ใจเราทุกข์ขึ้นม า, ท, าทันทีถ้าเป็นความอยากที่ทำให้ใจไม่ทุกข์เช่นอยากจะทำบุญอยากจะปฏิบัติธรรม อยากฟังเทศฟังธรรมอย่างนี้มันไม่ได้ทำให้ใจเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่เรามองไม่เห็นเราจะเห็นชัดต่อเมื่อเราได้เข้าไปข้างในใจการที่เราจะเข้าไปข้างในใจได้เราก็ต้องมีสติดึงใจให้เข้าข้างในสติกับตัณหาความอยากนี้มันเป็นเหมือน คู่ต่อสู้กันความอยากนี่มันจะดันใจให้ออกไปข้างนอกดันให้เราออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสปุถะปะให้เราออกไปหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกมิ้งกายถ้าเราออกไปข้างนอกเราก็จะไม่เห็นความทุกข์ที่เกิดจากความอยากแล้วเราก็จะแก้ ปัญหาโดยไม่ถูกทางเราจะแก้ปัญหาด้วยการทำตามความอยากเวลาเราอยากได้อะไรเราจะไม่ค่อยมีความสบายใจแต่พอเราได้สิ่งที่เราอยากได้แล้วความไม่สบายใจอันนั้นก็หายไปจะหองกันใหญ่เช่นเวลาจะสอบกูจะสอบตกอยากจะสอบได้ก็ใจก็ไม่สบาย แต่พอสอบได้แล้วก็เบา อ, อกเบาใจโล่ง อ, อกโล่งใจสบายใจค็เลี้ยงฉลองกันใหญ่อยากได้ตำแหน่งอะไรตอนที่ยังไม่ได้ก็ต้องวิ่งเต้นก็ต้องเหนื่อยต้องกังวลรอเวลาที่รอฟังผลนี่มันแสนทรมานใจไม่รู้ว่าผลที่จะออกมานี้ออกมาตามที่เราอยากได้หรือไม่ พอออกมาตามที่เราอยากได้เราก็ดีออกดีใจกันเวลาออกมาแล้วไม่ได้เราก็เสียออกเสียใจกันแต่ก็ไม่เกดถ้าไม่ได้ก็ถาวหน้าเอาใหม่เราเลยแก้วิธีแก้ปัญหาความไม่สบายใจของเราผิดทางแก้ด้วยการทําตามความอยากพอเห็นว่าเมื่อเราได้ทําตามความอยากแล้ว ความกวนกวยกระสับกระสายความหงุดหงิดลำคาญใจก็หายไปแต่มันหายไปเพียงชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็กลับขึ้นมาใหม่มันก็อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ใหม่ขึ้นใหม่หรือสิ่งเดียวกันเวลาหมดไปแล้วเช่นตำแหน่งพอหมดวาระแล้วก็อยากจะได้อีกก็ต้องกลับไปสแสวงหามนันอีก แต่ถ้าเรามองถ้าเราเข้าไปถึงทั้งในไดน้เราเห็นว่าออใจของเรานี่ไม่สบายใจเพราะความอยากเราก็หยุดความอยากนี้เสียพอเราหยุดความอยากไม่อยากได้เพียงเท่านั้นความสงบความสุขภายในใจก็จะกลับคืนมาความความวุ่นวายใจต่างๆก็จะหายไปอันนี้แหละถึงจําเป็นที่จะต้อง มีสถิต ค, คอยดึงใจให้เข้าข้างในให้ดึงดึงใจให้ออกจากราบยศสรรเสริญออกจากการแสวงหาตามความอยากในสิ่งต่างๆการภาวนาจึงเป็นงานที่ยากเพราะเป็นงานทวนกระแสของตัณหาความอยากนี่เองตัณหาความอยากนี่เป็นกระแสที่แรงมากเพราะว่ามันไหลมา เป็นเวลาอันยาวนานมันหลายพาให้ใจของเรานี้ต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่มาเป็นเวลาอันยาวนานการที่เราจะไหวทวนกระแสอันนี้มันจึงเป็นของที่ยากแต่มันไม่แย่เป็นของที่สุดวิสัยของของใจแต่ละดวงที่จะทํา เพราะมีใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านได้ทำสำเร็จแล้วท่านสามารถย้อนกระแสทวนกระแสของตันหาได้หรือผลักดันกระแสของตันหาให้หดเข้าไปข้างในไม่ให้ไหลออกมาข้างนอกได้ด้วยพลังของการเจริญสตินี่เอง ดังนั้นถ้าเราอยากที่จะปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลอย่างเต็มที่เราต้องจเจริญสติให้มากการทำทานการรักษาสีนี้เป็นเพียงการาสร้างทมนกหรือสร้างาสิ่งกีดขวางของความอยากให้มันอ่อนกำลังลงไป เป็นกระแสน้ำที่ไหลามาแรงๆเขามากักจะทำฝ้ายทำเขื่อนกันมันไว้ให้มันช้าลงชะลอลงแต่มันก็ยังห้ามมันไม่ให้ไหลไม่ได้มันก็ยังไหลล้นข้ามฝ้ายข้ามข้ามเขื่อนไปได้แต่อย่างน้อยมันก็ทำให้กำลังกระแสน้ำที่มันไหลนี่มันมันเบาลงอ่อนลง ที่จะทำให้เราสามารถใช้สติดันมันกลับเข้าไปได้ดันมันกลับเข้าไปข้างในได้เร้่งต้นเราจึงต้องทำทานกันก่อนทำทานเพื่อตัดกระแสะความอยากเช้อมอยากล่ำอยากรวยหรืออยากจะใช้เงินใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆเช่นซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของอ รูลาของวิจิตวิสดานต่างๆที่ไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพหรือต่อการสร้างความสุขภายในใจอันนี้เราทำไปเพื่อขัดขวางให้กำลังของความอยากนี้มันน้อยลงไปการรักษาศีลก็ทำให้การทำอะไรตามความอยากมันยากขึ้น ก็จะทําให้จะไม่อยากจะทําเช่นถ้าจะอยากได้อะไรแล้วต้องโกหกนี่บางทีก็เปลี่ยนใจไม่เอาดีกว่าอยากได้อะไรแล้วต้องโกงอย่างนี้ก็ไม่อยากเอาดีกว่าอันนี้เป็นการลดกระแสกําลังของความอยากให้มันอ่อนลงเพื่อที่เราจะได้ใช้สติ สู้กับมันได้ต่อไปทำทานแล้วรักษาสีแล้วทีนี้เราก็จะสามารถที่จะเจริญสติดึงใจให้เข้าไปข้างในดันใจให้ทวนกระแสของความอยากดันกระแสของความอยากให้มันหดเข้าไปถ้าเรามีกําลังมากกว่าถ้าสติมีกําลังมากกว่ามันก็จะสามารถดันให้กลับเข้าไปสู่จุด ที่สงบภายในใจได้คือทําให้ความอยากนี้หยุดทํางานได้ชั่วคราวเวลาจิตรวมลงเป็นสมาธิแล้วความอยากก็จะหยุดทํางานไปชั่วคราวพอความอยากหยุดทํางานไปชั่วคราวก็จะเห็นความสุขที่เราไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนมาก่อนปรากฏขึ้นมาภายในใจของเราเราจะ ทีนี้เราจะเห็นแล้วว่าโทษของความอยากนี้เป็นอย่างไรและผลที่เกิดจากการระงับความอยากนี้เป็นอย่างไรนี่แหละคือการเข้าไปสู่ความจริงความจริงที่เป็นตัวประเด็นสําคัญในชีวิตของเรานี้ไม่ได้อยู่ข้างนอกอยู่ข้างในถ้าเราศึกษาความจริงที่อยู่ภายใน เช่นพวกนักวิทยาศาสตร์นักศึกษาศาสรนักดาราศาสตร์เขาพยายามศึกษากันหาความรู้กันหาไปวันจนไปจนวันตายก็จะไม่ได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับตัวเขาเองกับจิตใจของเขาเองเพราะว่าความรู้ต่างๆที่เขาได้ค้นพบนี้มันไม่ได้มาทําให้ความทุกข์ภายในใจของเขาดับไป ก็ไม่ได้ลดความอยากภายในใจของเขาให้หมดไปแต่กลับทำให้เขามีความอยากรู้อยากเห็นเพิ่มมากขึ้นอย่างนักวิทยา ศ, าศาสตร์ก็อยากจะไปโลกประจั์กันอยากจะไปดาวอังคารกันอยากจะไปให้ไกลไปเรื่อยๆเพราะคิดว่าจะได้ไปศึกษาได้รู้ได้เห็นสิ่งต่างๆที่จะเอามาทำประโยชน์ ให้กับตัวเขาเองและเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองแต่เขาก็จะได้ประโยชน์เพียงเล็กน้อยคือประโยชน์ทางร่างกายอย่างที่เขาได้รับกันอยู่ในปัจจุบันนี้จะไม่ได้รับประโยชน์อะไรมากไปกว่านี้แต่ยังท้องทุกข์กับเรื่องราวต่างๆอยู่เรื่อยๆเพราะยังจะมีความอยาในรูปเสียงเกล็นดนสด ยังมีความอยากอยากมีอยากเป็นอยากได้ยังมีความอยากไม่อยากเป็นไม่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ความทุกข์ภายในใจก็จะไม่มีวันหมดไปต่อให้ศึกษามากน้อยเพียงไรก็ตามถ้าศึกษาความรู้ภายนอกใจนี้จะไม่ได้พบกับความรู้ที่จะมา ทำให้เราดับความทุกข์ภายในใจของเราได้แต่ถ้าเราสามารถดึงใจของเราให้เข้าข้างในได้แล้วเราก็จะเห็นการทำงานของความอยากและการทำงานของเครื่องมือที่พระเจ้าเรียกว่าธรรมะที่จะใช้ต่อสู้กับความอยากดับความอยากได้มันอยู่ภายในใจของเรา ที่พ่ อ, อทรงตัดสู้ก็คือความรู้ภายในใจนี้เองก็คือทุกสมุทัยนี่โลภะความทุกข์ก็คือความไม่สบายใจสมุทัยก็คือต้นเหตุของความไม่สบายใจก็คือความอยากได้สิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้อยากมีสิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้อยากไม่มีสิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้อยากมีความสุขกับ รูปเสียงกลิ่นรสพลตภะอันนี้เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความกวนกวายกระสับกระส่ายไม่สบายอกไม่สบายใจขึ้นมาแล้วก็จะเห็นว่าการที่จะละความอยากนี้ได้ก็ต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญานี้เองสติก็มีแล้วสมาธิก็มีแล้วเพราะ ได้เข้ามาเห็นตัวนี้แล้วเห็นแล้วว่าอ๋อตัวนี้เองที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาพออยากได้อะไรใจก็ไม่สบายขึ้นมาทัท น, านทีกังวลกังวายไม่เชื่อลองไปดูพวกคนที่เขาคอยแทงลอตเตอรี่ในวันลอตเตอรี่ออกกันดูวันนั้นจิตใจเขาก็จะพะวัพวกพวบนกังวลคอย คอยอรอแล้วฟังข่าวว่าวันนี้ออกเลขอะไรกันใจอยู่ไม่เป็นสุขอันนี้ก็แต่เขาไม่เห็นว่าเขากำลังกังวลกังวยกระสรับกระสายแต่ผู้ที่มีใจสงบแล้วพอเกิดความอยากอย่างนี้เขาจะเห็นทันทีเลยว่าความสุขหรือความสงบที่มีอยู่ในใจนี้มันจะหายไป จะมีแต่ความกวลกวังวลกระสับกระสายก็คือความทุกข์ปรากฏขึ้นมาที่โรธคือความสงบหายไปทุกข์ปรากฏขึ้นมาเวลาเกิดสมุทัยขึ้นมาเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาแต่ถ้าเกิดมีปัญญาขึ้นมาเกิดสติขึ้นมาเห็นว่าตอนนี้เรากาลังกวนกวายกระสับกระสายเพราะเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเราอยากจะให้มันหายไป หายความกังวลกวายความไม่สบายใจหายไปเราก็หยุดความอยากพอเมื่อกี้ตอนที่เราไม่มีความอยากเราสบายใจอยู่เฉยๆเราสบายพอเราเกิดความอยากขึ้นมาครับโดยสาเหตุอันใดก็ตามอาจจะเป็นเพราะไปเห็นอะไรเข้าไปได้ยินอะไรเข้าแล้วก็มาทําให้เกิดความอยากกับสิ่งที่ได้เห็นได้ยินะ ก็จะเห็นว่า เ, เมื่อกี้ใจเย็นใจสบายเดี๋ยวนี้มันกลับวุ่นวายขึ้นมามันก็จะเห็นได้อย่างชัดความสัมพันธ์ระหว่างความทุกข์กับความอยากการเห็นแบบนี้ก็เรียกว่ามีปัญญามีสตินั่นเองมีสมาธิถึงจะเห็นภาพที่ชัดเจนอย่างนี้ได้เห็นภาพของความเชื่อมต่อระหว่างความไม่สบายใจกับความอยากได้ ถ้าเห็นอย่างนี้เราก็หยุดความอยากได้เหมือนกับเราเห็นเวลาที่เราเดินไปเตะของแข็ง <m> เดินไปเตะหินอย่างนีน้เรารู้เลยว่าเมื่อกี้เราไม่เจ็บอันนี้เราเจ็บแนละ้วเพราะเราเดินไปเตะก้อนหินเขาถ้าเราไม่ไปเตะก้อนหินเราก็จะไม่เจ็บเห็นข่าวต่อไปเราก็ต้องระมัดระวังเราอย่าเดินไปเตะอะไรเขาแล้วเราก็จะไม่เจ็บอันนี้ก็เหมือนกัน เราเห็นแต่เพียงความเจ็บทางร่างกายเพราะใจเราออกมาอยู่ที่ร่างกายไม่ได้ไปอยู่ภายในใจกันแต่ความจริงเวลาที่เราเจ็บทางร่างกายนี้ใจเราก็เจ็บไปด้วยอีกชั้นหนึ่งแต่ความเจ็บทางร่างทางใจนี้เราไม่เห็นกันเ่นเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะเห็นแต่ความเจ็บทางร่างกายแต่เราไม่เห็นความเจ็บทางใจที่มีซ้อนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งที่มีน้ำหนักมากกว่า ความเจ็บทางร่างกายเสียได้ซ้าไปก็คือความอยากให้มันหายเจ็บพอเกิดความอยากให้ันหายเจ็บมันก็เกิดวิภาวตันหาขึ้นมาแล้วอยากไม่เจ็บอยากให้มันหายเจ็บนี่เป็นภาวะตันหาหรือวิภาวตันหาก็สุดแท้แต่จะมองกันแต่ก็เป็นความอยากให้มันสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันหายไปหรือไม่ให้มันไม่ให้มันเกิดขึ้นนี่ พอเกิดความอย่างนี้ใจก็กระวนกระวายกระสับกระสานไม่สบายใจคนเราจรึงไม่ค่อยเจ็บไายไม่อยากจะไม่ชอบความเจ็บไข้ได้ป่วยกันเพราะเวลาร่างกายเจ็บไายได้ป่วยแล้วมันทําให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแต่ถ้าเราได้เข้าไปข้างในใจแล้วเวลาเกิดความไม่สบายใจเกี่ยวกับความเจ็บของร่างกายเราก็ดับความไม่สบายใจของทางร่างกายได้ เราจะเห็นเลยว่าอ๋อเนี่ยเราไม่เราไม่สบายใจเพราะเราอยากจะให้ความเจ็บของทางร่างกายหายไปหรือถ้ามันยังไม่เจ็บก็อยากจะไม่ให้มันเจ็บอย่างนี้บังทีเราร่างกายก็สบายดีแต่พอเรามาคิดถึงว่าอนาคตเราอาจจะต้องเป็นโรคมะเร็งเป็นเบาหวานพอคิดถึงแค่นี้ความไม่สบายใจก็เกิดขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเรา อยู่ใจของเราอยู่ข้างในตลอดเวลาพอมันไม่สบายใจเราก็รูกว่าเนี่ยไปคิดเรื่องไม่ดีครับละไปคิดมันทําไมมันยังไม่เกิดเลยแล้วถ้ามันเกิดเราจะไปทําอะไรมันได้เกิดก็ต้องอยู่กับมันไปมันจะเจ็บก็ต้องปล่อยมันเจ็บไปถ้าเราไม่มีความอยากให้มันไม่เจ็บเราจะไม่เดือดร้อนอันนี้มันจะเห็นได้ชัดจะเห็นได้ต่อเมื่อเราเข้าไปข้างในแล้ว เข้าไปในใจแล้วอันนี้ที่เราเรียกว่าการดูจิตดูแบบนี้ต้องดูด้วยการเข้าไปข้างในจิตไม่ใช่ดูด้วยการที่เรายังอยู่ที่ข้างนอกอยู่ที่ร่างกายอยู่อย่างที่มีการนิยมปฏิบัติกันทักว่านี้ว่าไม่ต้องนั่งสมาธิดูจิตเลยใช้ปัญญาดูจิตกันไปเลยจะไปดูจิตเห็นยังไงเมื่อมันยังไม่เข้าไปในจิต เหมือนกับอยู่นอกบ้านแล้วก็บอกว่าดูได้แล้ๆว่าของในบ้านมีอะไรบ้างจะไปเห็นอะไรถ้าไม่เข้าไปข้างในบ้านมันต้องเข้าไปข้างในบ้านก่อนถึงจะเห็นว่าในบ้านนี้มีอะไรบ้างมีอะไรที่ดีมีอะไรที่ไม่ดีแต่ถ้าอยู่นอกบ้านจะไปดูเห็นอะไรก็เห็นภายนอกเท่านี้เห็นไปตามจินตนาการตามที่เขาบอกเล่าว่าเออข้างในบ้านนี้มีอย่างนู้นมีอย่างนี้แต่จะไม่ได้เห็นแบบ คนที่เข้าไปอยู่ข้างในบ้านเห็นกันอแล้วก็ไม่สามารถที่จะประจัดการกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในบ้านให้มันอยู่ในสภาพที่ดีได้เราต้องเข้าข้างในใจเราถึงจะสามารถจัดการใจของเราให้สงบให้ปราศจากความอยากปราศจากความทุกข์ได้ถ้าเราอยู่ข้างนอกนี่เรายังไม่มีวันที่จะสามารถที่จะดูแลจัดการใจของเราให้ สงบให้มีแต่ความสุขไม่ให้มีความทุกข์นนไม่ให้มีความอยากได้ดังนั้นถ้าเราอยากที่จะกําจัดความทุกข์เห็นความทุกข์เห็นต้นเหตุของความทุกข์อย่างชัดเจนแล้วกําจัดความทุกข์กำจัดต้นเหตุของความทุกข์ได้อย่างชัดเจนเราต้องเข้าไปข้างในใจการเข้าไปข้างในใจนี้แสดงว่าเราต้องมีสติ ต้องมีสมาธิแล้วเราถึงจะเข้าไปข้างในได้เราถึงเราถึงจะใช้ปัญญาแยกแยะได้ว่าเอออะไรที่ทําให้ใจเราวุ่นวายมันไม่ได้บอกเราว่ามันเป็นตันหาความอยากแต่มันพอมันแสดงมาปั๊บเราจะรู้เลยอ๋อไอ้ตัวนี้เองพอมันแสดงออกมาอย่างนี้ปั๊บใจเราไม่สบายลกะกังวลกระวลวิตกกังวลกระสรับกระสายขึ้นมาเราก็รู้เลยว่าเพราะตัวนี้ พะเมื่อกี้ไม่มีตัวนี้เราไม่มีปัญหาอย่างนี้พอตัวนี้โผล่ขึ้นมาปัญห า, านี้ตามมาทันทีเราก็ต้องกาจัดไอ้ตัวนี้ไป <S <S <Nh ưng S 1> อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นนี้ก็ต้องกาจัดมันไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ต้องกาจัดมันไปอยากให้บ้านเมืองสงบก็ต้องกาจัดมันไปเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องของบ้านเมืองบ้านเมืองจะสงบไม่สงบนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับการที่จะมา ทาใจให้เราวุ่นวายหรือไม่วุ่นวายบ้านเมืองไม่สงบใจเราก็สงบได้แต่แต่ถ้าบ้านเมืองสงบแต่ใจเราวุ่นวายมันก็ถ้าใจเราอยากให้บ้านเมืองเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็จะวุ่นวายขึ้นมาได้บางทีบ้านเมืองสงบแล้วก็ไม่พอใจอยากจะให้ดีกว่านี้อยากให้จเจริญนุ่งเรองกว่านี้มันก็ทาให้เกิดความ พนไหวใจขึ้นมาได้อยู่ดีเะฉะนนเราการแก้ปัญหาของเรานี้เราต้องแยกออกไปว่าปัญหาของเรานี้มันอยู่ในใจของเราเราต้องแก้ที่ใจของเราเราอย่าไปแก้ข้างนอกข้างนอกไปแก้อย่างไงมันก็ไม่ได้มาแก้ที่ข้างในใจเราอยู่ดีเพีย yeah. งแต่ว่ามันอาจจะทําให้เราคิดว่าเราได้แก้แต่เป็นแก้ปัญหาเพียงชั่วคราวเช่นเราอยากให้บ้านเมืองสงบด้านเราก็ออกไป ทำอะไรสักอย่างให้มันสงบพอมันสงบความวุ่นวายใจของเราก็สงบไปชั่วคราวแต่เดี๋ยวแล้วเกิดความอยากให้สมมุติอยากจะให้บ้านเมืองวุ่นวายขึ้นมาจะทําำไงบ้านเมืองสงบแต่เราอยากจะให้มันวุ่นวายใจของเราก็จะวุ่นวายขึ้นมหม่เพราะฉะนั้นมันทั้งหมดนี้ปัญหาของเรานี้มันไม่ได้อยู่ที่คนคนหรือบุคคลหรือสิ่งของต่างๆ มันอยู่ที่ใจของเราที่ไปหลงไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่างที่มีเขาพูดอยู่ว่าเวลาหนาวก็อยากจะให้มันไม่หนาวเวลาร้อนก็อยากจะให้มันเย็นอยากให้มันเปลี่ยนเปลี่ยนไปตามความอยากของเราไม่มีอะไรที่จะเราพอใจสักที ได้อะไรมาแล้วก็ไม่เคยพอใจกับสิ่งที่เราได้อยากจะได้มากกว่านี้หรืออยากจะได้ดีกว่านี้ไปเรื่อยๆ อ, อันนี้ปัญหามันอยู่ภาในเราจะเห็นปัญหานี้ได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าไปข้างในถ้าเราเข้าข้างในได้แล้วการแก้ปัญหามันก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายรวดเร็วและ เป็นการแก้ปัญหาได้อย่างถาวรถ้าเรายังไม่เข้าไปข้างในเราอยู่ข้างนอกเราก็จะแก้เป็นแบบแก้แบบผิดไปแก้แก้ด้วยการทำตามความอยากเหมือนกับเวลาที่เราอยากจะดับไฟที่ไหม้เราเอาน้ำมันเทราดลงไปในกองไฟเวลาเทราดลงไปใหม่ๆน้ำมันยังไม่ร้อน น้ำมันก็มีลักษณะเหมือนกับน้ำมันก็ทําท่าจะทําให้ไฟดับไปได้แต่พอน้ํามันที่เทลงไปในกองไฟมันเริ่มร้อนขึ้นมามันก็เริ่มเผาไหม้ขึ้นมากลายเป็นกองไฟที่ใหญ่กว่าเดิมสิอันนี้ก็เหมือนกันการแก้ปัญหาคือความไม่สบายใจด้วยการกระทําตามความอยากก็เป็นเหมือนกับการที่เราเทน้ํามัน ลงไปในกองไฟดีๆนี่เองเวลาเทลงไปใหม่ๆมันก็ทำท่าจะดับเพราะตอนนั้นน้ํามันยังไม่ร้อนมันก็เป็นเหมือนน้ำก็ทำท่าจะทำให้ไฟที่ลุกนั้นดับลงไปแต่พอน้ํามันที่ถูกไฟถูกความร้อนของไฟพอมันเกิดความร้อนขึ้นมามันก็เกิดการประทุ ข, ขึ้นมาเกิดการเผาไหม้ขึ้นมามันก็เลยทาให้กองไฟนั้น ใหญ่ัวขึ้นไปก่อนเดิมการแก้ปัญหาด้วยการทำตามความอยากก็เป็นอย่างนี้เช่นอยากจะสูบบุรี่พอสูบบุริ่แล้วความหงุดหงิดใจที่เกิดจากความอยากก็หายไปแต่กลับทำให้ต้องสูบบุรีเพิ่มขึ้นไปอีกตอนตอน้นอาจจะสูบวันละมวนสองมวนต่อมาก็สูบวันละสิบมวนยี่สิบมวนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าอยากที่จะหยุด การสูบบุหรี่เราก็ต้องอย่าไปทำตามความอยากเช่นไฟที่ไม่อยู่ถ้าเราอยากจะให้มันดับเราก็อย่าเทน้ำมันลงไปถ้าเราไม่เทน้ำมันลงไปเดี๋ยวเชื้อเฟือนเก่าเชื้อเฟืนเก่าที่มีอยู่พอมันไหม้หมดแล้วไฟมันก็จะดับเองเราก็อย่าไปทำตามความอยากนั้นเองแล้วความอยากที่จะทาสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะอ่อนกาลังลงไป ทุกครั้งที่เราฝืนความอยากได้ความอยากก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็หมดไปความอยากดื่มกาแฟาอยากจะดื่มสูราอยากจะสูบบุหรี่อยากจะดูละครอยากจะไปที่นั่นที่นี่ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ทำตามความอยาก ถ้าเราทําตามความอยากมันก็จะมีต่อไปเรื่อยๆดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็อยากจะดูอีกเรื่องหนึ่งพอไปดูอีกเรื่องมันก็อยากจะดูอีกเรื่องหนึ่งมันก็จะอยากไปเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆคนที่มีภรรยามีสามีหลายคนก็แบบเดียวกันพอได้คนหนึ่งแล้วก็อยากจะได้อีกคนหนึ่งพอได้คนแล้วไปพออยากจะได้คนแล้วไปเอามาก็ยิ่งจะเกิดความอยากได้คนหนึ่ง คนที่มีสามีภรรยาคนเดียวเพราะเขาตัดความอยากที่อยากจะมีสามีมีภรรยาเพิ่มขึ้นได้เขาจึงมีสามีหรือมีภรรยาคนเดียวหรือคนที่ไม่มีสามีไม่มีภรรยาเลยก็คือเขาหยุดความอยากมีสามีอยากมีภรรยาได้เขาก็ไม่ต้องมีสามีไม่ต้องมีภรรยาเมื่อไม่มีแล้วมันอะไรจะสบายกว่ากันระหว่างมีสามีภรรยากับไม่มีสามีภรรยา อันไหนจะสบายกว่ากันมีสามีมีภรรยายก็ต้องมาเป็นเป็นคู่คู่กัดกันนะเป็นคู่แข่งกันต้องมาแบ่งผลประโยชน์กันเวลาไม่มีของอะไรที่เรามีอยู่นี้เป็นของเราหมดเลยแต่พอมีเขาแล้วต้องมาแบ่งให้เขาแล้วคนละครึ่งละเวลาก็ต้องแบ่งกันคนละครึ่งจะทำอะไรก็ต้องมาปรึกษากัน มาลงคะแนนเสียงกันว่าจะเอาอย่างไรคนนี้จะไปเที่ยวคนนี้จะนอนตกลงว่าจะเอาอยัางไงดีเนี่ยเราก็ต้องต้องมีการสูญเสียได้มานิดเดียวแต่ต้องมาเสียอะไรไปมากมายกายก็เสียความเป็นอิสรภาพความเป็นตัวเป็นตนของเราการที่เราจะทำอะไรตามตามความสบายใจของเราก็จะทำไม่ได้ นี่เป็นเพราะว่าเวลาเกิดความอยากแล้วมันจะเห็นแต่สิ่งที่เราอยากได้ว่าดีไปหมดดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่จนกว่าจะได้มาแล้วถึงจะเห็นว่าโอ้เราสูญเสียอะไรไปมากกว่าที่เราได้มาถึงทำให้เกิดการที่อยากจะหย่าร้างกันแล้วก็มีการหย่าร้างกันอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเวลา อยากได้นี้มันไม่ใช่ปัญญาไม่คิดอย่างลอกคลอกมารู้ก็ตอนที่มาเจอกับเหตุการณ์แล้วเวลานั้นถึงอยากจะไม่อยากจะมีแล้วอยากจะอยู่คนเดียวนะนี่ก็คือเรื่องของความอยากถ้าเราอยากที่จะ <c oughs> ทำลายความอยากให้หมดไปนี้เราต้องดึงใจเข้าไปสู่จุดที่เกิดของความอยากของความทุกข์ ก็คือภายในใจของเราแล้วการที่เราจะเข้าไปภายในใจของเราได้เราก็ต้องอาศัยการทำทานการรักษาศีลเพื่อเป็นการลดกระแสะความอยากให้มันเบาลงไปเพื่อที่เราจะได้ใช้กำลังของสติดันมันกลับเข้าไปข้างในดันจิตให้กลับเข้าไปข้างในจิตถูกกระแสะของตัณหาความอยากดันออกมาเราก็ใช้ทาน ตัดมันลดกำลังของมันใช้ศีลลดกำลังของมันแล้วเราก็ใช้สติดันมันกลับเข้าไป เ, เวลาที่เราภาวนาพุโทโธพุทโธนี้เป็นเหมือนกับการดันกันตันหาก็ดันออกพุโทโธก็ดันเข้าเวลานั่งภาวนาหรือเวลาภาวนาพุโทโธมันจะรู้สึกมีอาการตึงเครียดกั น, นคนบางคนว่า ธรรมดานั่งดูหนังไม่เห็นเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เลยแต่พอมานั่งพุทธโทพุทโธนี่มันเกินไปหมดนั่นแ่ะเป็นเพราะว่ากําลังภายในกําลังต่อสู้กันกําลังของสติกับกําลังของตันหากําลังต่อสู้กันมันก็เหมือนกับทีมสองทีมที่ชักกระเยาะกันต่างทีมต่างดึงกันมันก็รู้สึกตึงเครียดกันเขาก็ดึงเราก็ดึงถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปล่อยปั๊นี่มันจะ ไม่มีความตึงเครียดเลยฉันใดก็เช่นเดียวกันถ้าสติยอมแพ้หยุดพุทโธปักมันก็หายเครียดเลยหรือถ้าตันหา ย, ยอมแพ้มันก็หายเครียดเหมือนกันแต่หายคนระแบบหายแบบตันหาหายนี่มันโล่ง อ, อกโล่งใจสบาย อ, อกสบายใจเหมือนยกภูเขาออกจาก อ, อกไปแต่ถ้าหายแบบสติหายไปมันก็เียงแต่รู้สึกเบาลงไปหน่อยเท่าน้อง แต่มันไม่เหมือนกับเวลาที่ตันหามันยอมแพ้เวลาตันหายอมแพ้นี่จิตก็ดิ่งเข้าสู่ความสงบได้แต่รู้สึกว่าโอ้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นเมื่อกี้ช่วงนั้นช่วงที่ต่อสู้กับตันหานี่เหมือนกาลังอยู่ในนรกหรืออยู่ในสมอรภูมมทําสงครามกันพอฝ่ายข้าศึกศัตรูยอมแพ้ยกทองขาวเท่านั้นเราก็สบายแ้วเราต้องเอาชนะให้ได้ เพเป็นสิ่งที่เราชนะได้ถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความแน่วแน่มีความอดทนมีความพยายามพยายามบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปไม่ว่าจะมีความรู้สึกท้อแท้เหลื่อหนรู้สึกอึดอัดรู้สึกอะไรต่างๆที่จะทําให้เราอยากจะเริ่มอยากไปสนใจมันขอให้เราบริกรรมพุโทโธพุโทโธไป ถ้ายังบรกิกรรมไม่ได้ท่องสวดท่องมนต์ไปก่อนก็ได้สวดมนต์ไปก่อนท่องคาถาท่องพระสูตรไปก่อนก็ได้หรือฟังเทศฟังธรรมไปก่อนก็ได้ฟังเทศฟังธรรมมันก็เป็นการยึดยันดันกระแสไม่ให้มันไหลออกมาเวลาเราฟังธรรมเราก็ไม่สามารถที่จะไปคิดปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ถ้าเราตั้งใจฟังจริงๆใจรจดจ่ออยู่กับการฟัง มันก็จะไม่มีเวลาไปคิดถึงความอยาก <c oughs> แล้วพอใจเบาความอยากเบาลงเราก็พอฟังเทศแล้วรู้สึกใจเย็นขึ้นสบายขึ้นก็หยุดฟังแล้วก็ลองดูใช้สติดันมันเข้าไปต่อไปจะใช้พุทโธก็ได้จะใช้ดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ดูต่ดูตามกาลังของใจแล้วดูกาลังของตัณหาว่ามันแรงหรือไม่แรง ถ้ามันแรงนี่ทำบริกรรมมันจะดีกว่าถ้ามันไม่แรงการดูลมหายใจนี้มันจะสบายกว่าไม่เหนื่อยดูเฉยๆการบริกรรมมันต้องออกแรงต้องท่องแต่ถ้าเจตถ้าจิตมันละเอียดแล้วมันถ้าสติถ้าตัณหามันเบาลงแล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องท่อ ง, องถ้าดูลมได้ก็ดูไปดูไปแล้วใจก็จะเบาลงเบาลง เพรากำลังของตัณหาก็จะอ่อนลงอ่อนลงไปแล้ใจก็ละเอียดลงไปเรื่อยๆเจ้าในที่สุดมันก็จะวุบนิ่งลงไปได้อันนี้แหละคือการดึงใจให้เข้าข้างในเพื่อที่เราจะได้มีดวงตาเห็นธรรมเพื่อที่เราจะได้เห็นอริยสัจสี่ที่มีอยู่ภายในใจของเราถ้าเราเข้าข้างในแล้วทีนี้เวลาเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเราไม่ต้องไปถามใครเลยว่า อะไรเป็นเหตุที่ทําให้เราไม่สบายใจแล้วเราจะไม่ไปแก้ให้ผิดจุดเวลาเห็นคนนั้นคนนี้ทําอะไรแล้วเราไม่สบายใจแทนที่จะไปแก้เขาไปบอกเขาให้ทําอย่างนั้นทนํานี้เอ้ยไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราอยู่ตรงที่เราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นก็นอย่างนี้เองเราก็หยุดความอยากของเราเสแค่นั้นมันก็จบเพราะอยากจะทะําอยากจะเอาศรีศารษะเดินก็เรื่องของเขาไมนไม่ใช่เรื่องของเรา ถ้าเราไม่มีฐานะที่จะไปพูดหรือไปบอกอะไรเขาได้ก็อย่าไปพูดไปบอกให้มันเสียเวลาแต่ถ้ามันเป็นฐานะแล้วเป็นหน้าที่เราก็ทำไปตามหน้าที่แต่เราไม่ได้ทำด้วยความอยากที่จะทำให้ความหงุดหงิดลำคาญใจของเราหายไปถ้าเรามีความหงุดหงิดลำคานใจจากการกระทาของเขาขั้ น, ต, นต้นเราต้องมาหยุดความหงุดหงิดในใจของเราด้วยการหยุดความอยากก่อนอยากเราอย่าไปยอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ พอเราหยุดความหงุดหงิดกำคาญใจด้วยการระงับความอยากภายในใจของเราได้แล้วทีนี้ถ้าเรามีหน้าที่จะต้องไปสอนเขาไปบอกเขาไปห้ามเขาแล้วก็ไปทําตามหน้าที่ทําแล้วเขาจะฟังไม่ฟังก็ไม่ใช่เป็นปนัญหาของเราเราทําหน้าที่ของเราแล้วเช่นลูกของเราเขาไปทําอะไรไม่ดีมาเราก็ไม่สบายใจเบื้องต้นเราต้องมาดับความไม่สบายใจ ที่เกิดจากความอยากไม่ให้เขาไปทําในสิ่งที่ไม่ดีให้ได้ก่อนเมื่อเราดับไอ้ตัวนี้ได้แล้วทีนี้เราคก็ไปสอนเขาไปบอกเขาเพราะว่าถ้าเกิดเขาเราเราบอกเขาแล้วเขาไม่เชื่อเขาไม่ฟังเราเราจะได้ไม่เสียใจเราจะได้ไม่โกรธแต่ถ้าเรายังดับตัวนี้ไม่ได้ดับความอยากให้เขาทําสิ่งที่ดีๆไม่ได้แล้วพอเราไปบอกเขาแล้วเขาไม่ทําเราก็จะยิ่งเสียใจยิ่งยิ่งไม่สบายใจยิ่งทุกข์ใจขึ้นมาใหญ่ เราต้องยอมรับ ว, ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่นอกใจเหล่านี้เป็นอตาคือไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของเราที่จะไปควบคุมบังคับไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เสมอไปบางวาระบางโอกาสก็สั่งได้พูดได้ทําได้บางวาระก็ทําอะไรไม่ได้ถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้วเราก็จะได้ไม่เสียหลัก เราจะไม่มีวันเสียใจกับการกระทำอะไรต่างๆของเราเราทำตามหน้าที่ทำทำด้วยเหตุด้วยผลส่วนผลมันจะออกมาอย่างไรนี้เราไม่สามารถที่จะไปกาหนดมันได้แล้วเราก็จะไม่เสีย อ, อกเสียใจเราทำความดีแล้วมันไม่ได้ผลดีดังที่เราคิดเราก็จะไม่เสีย อ, อกเสียใจบางคนทำความดีแล้วไม่ได้รางวัลก็มา มาบ่นว่าทำดีถ้าเป็นแทบตายแต่ไม่ได้รับรางวัลไม่ได้รับผลดีเลยเขาไม่เข้าใจหลักของความดีที่แท้จริงว่าทำความดีอย่างไรถึงจะเป็นความดีที่ที่ได้ผลดีจริงๆการทำดีที่แท้จริงที่ได้ผลดีที่แท้จริงก็คือการทำความดีภายในใจเรานี่เองเราไม่สบายใจเราดับความไม่สบายใจได้อันนี้แหละเป็นการทำความดีที่ดีที่สุด ดีกว่าการกระทำอะไรต่างๆในโลกนี้ทำแล้วได้รางวัลขนาดไหนก็สู้ทำความดีแบบนี้ไม่ได้แต่ถ้าเราไปทำความดีข้างนอกเราก็จะไม่มีความอยากที่จะได้รางวัลหรือผลตอบแทนเพราะเรารู้ว่ามันจะทำให้เราเสียใจได้ถ้าเราอยากแล้วเราไม่ได้ทางใจดัะนั้นคนที่ทำความดีจริงๆจะไม่อยากได้อะไรเป็นผลตอบแทนภายนอก จะต้องการผลตอบแทนภายในใจเขาจะทำความดีภายในใจเขาก่อนเมื่อเขาทำความดีภายในใจของเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาได้ผลลังที่เขาต้องการแล้วทีนี้เขาถึงไปทำความดีภายนอกต่อไปเช่นพระพุทธเจ้าตลอดระยะเวลาหกปทีที่ทรงภาวนาทรงบำเพ็ญทรงปฏิบัติไม่ได้ไปทำความดีข้างนอกเลยไม่ได้ไปเผยแผ่สั่งสอนธรรมะให้แก่ใครเลย ไม่เคยไปโปรดญาติโยมที่พระราชวังหรือไปโปรดใครที่ไหนไม่ยุ่งกับใครดังนั้นตอนนั้นขอทำความดีของตนเองให้มันเรียบร้อยก่อนให้มันได้ผลได้ก่อนคือการชำระใจการกำจัดปัญหาความอยากต่างๆให้มันหมดไปจากใจให้หมดไปก่อนพอมันหมดแล้วเทนี้จะไปทำอะไรก็ไม่เป็นปัญหาแล้วทแล้วได้ผลมากผลน้อยก็ไม่ ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่มีความรู้สึกอะไรเท่านั้นทำได้น้อยก็ดีทำได้มากก็ดีไม่ได้ผลเลยก็ดีเพราะอย่างน้อยก็ได้ทำแล้วได้ทำหน้าที่ของเราแล้วส่วนผู้ที่จะรับประโยชน์นี้เขาเอาไปทำได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่เขาแล้วเราไม่สามารถที่จะไปไปไปทำแทนเขาได้อันนี้แหละคือการทำความดีที่แท้จริง ถ้าอยากจะทำความดีให้มาทำข้างในใจดึงใจให้เข้ามาข้างในให้ได้เมื่อเข้ามาข้างในได้แล้วเราก็จะสามารถเห็นการทำงานของความอยากที่สร้างความทุกข์ความไม่สบายใจให้เกิดขึ้นภายในใจได้พอเราเห็นความอยากนี้เป็นต้นเหตุทำให้เราไม่สบายใจเราก็จะหยุดมันทันทีได้เพราะเราเป็นคนทำเองเราเป็นคนอยากเองเมื่อเราอยากเองว่าทำมาเราจะหยุดมันไม่ได้แปลกไะ ทำไมพวกเราหยุดความอยากของเราไม่ได้ในเมื่อเราเป็นคนคนทํามันขึ้นมาเองก็เพราะว่าเราไม่ไปหยุดมันข้างในเราเข้าไปไม่ถึงถ้าเป็นสวิตช์ไฟก็หาสวิตช์ไฟไม่เจอเราเราเปิดมันแล้วเราก็ทิ้งมันแล้วเราก็ออกจากห้องไปแล้วพออยากจะดับไฟก็ไม่รู้หาสวิตช์ไฟไม่เจอพ่าเราไม่กลับเข้ามาในห้องความอยากพอมันออกไปข้างนอกใจแล้วที่ดับมันยากนะ ความอยากของคนที่ไม่ได้ภาวนานี่มันออกมาข้างนอกห้องเส็ยแล้วคือผู้ที่จะดับไปไม่ได้อยู่ในห้องแล้วคือใจไม่ได้อยู่ในห้องแล้วความอยากยังอยู่ในห้องอยู่แต่ใจมันมาอยู่กับของที่อยากได้เสียแล้วมาอยู่ที่ร่างกายมาอยู่ที่ราบยศเสริญมาอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสได้มันเลยดับยากถ้าจะดับดับดับมันจะต้องเข้าไปข้างในใจ ถึงจะดับมันได้อย่างแท้จริงถ้าดับภายหนะ้าก็ดับแบบเดียเด๋ยวๆบางทีคราวนี้ไม่ได้ก็ทําใจหน่อยแต่เดี๋ยวพอเกิดมีโอกาสที่จะได้ก็ความอยากก็จะเกิดขึ้นมาอีแต่ถ้าไปดับข้างในแนละ้วต่อให้มีโอกาสเป็นนายกอีกพันปีร้อยปีก็ไม่อยากจะเป็นลนะเพราะรู้แล้วว่ามันทุกข์ไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรดีกว่า พราะมันไม่อยากแล้วแมมันแสนจะสุขแสนจะสบายไม่มีอะไรจะสุขจะสบายเท่ากับความความสงบความไม่มีความอยากนี่คือความพอถ้าไม่มีความอยากแล้วมันก็จะมีความพอดังนั้นการที่เรามาศึกษามาปฏิบัตินี้ก็เพื่อมาให้ถึงจุดนี้ให้ได้นั่นเองก็คือให้เราเข้าไปในจุดที่เกิดของอริยสัจสีสจุด ที่เกิดของทุกข์สมุทัยนิโรธมาแล้วมาทำลายสมุทัยกับทุกข์นี้ให้มันหมดไปให้ได้เพื่อเราจะได้มีแต่มรรคกับนิโรธอยู่ภายในใจของเรามีแต่ความสงบมีแต่ความอิ่มความพอความไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นอันนี้เกิดเก้นจากการทำทานในเบื้องต้นแล้วก็วรักษาสิ่ ตามมาด้วยการเจริญสติดึงใจให้เข้าข้างในด้วยการบริกรรมพุทธโธก็ได้ด้วยการสวดมนต์ก็ได้ด้วยการฟังเทศฟังธรรมไปก่อนก็ได้ด้วยการเจริญสติเฝ้าดูอาการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกอิริยาบุตตั้งแต่ตื่นจนหลับไปก็ได้แล้วก็นั่งหลับตาแล้วก็ให้ใจเข้าข้างในให้สงบให้นิ่งให้เย็น พอเข้าข้างในแล้วก็จะเห็นเวลาเกิดความอยากก็จะรู้เลยว่ามันอยู่ข้างในจะรู้เลยว่าทําให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาถ้าอยากจะให้ความไม่สบายใจหรือความทุกข์ใจหายไปก็หยุดความอยากนั้นเท่านั้นเองต่อไปก็จะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจเพราะเราจะคอยเฝ้าดูทุกทุกขณะเวลา ของการกระทําของใจว่าไปในทางความอยากหรือไปในทางทางการปล่อยวางถ้าปล่อยวางก็แสดงว่าไปทางธรรมะไปทางเพราะเห็นว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาสัพเพธรรมานักตาถ้าไม่เห็นสัพเพธ ร, รมานักตาก็จะเผลอเกิดความอยากขึ้นมาไนดะ้แต่ถ้ามีปัญญาก็จะเห็นว่าเ อ, อเรากำลังสร้างความทุกข์ให้กับเราเราก็หยุดมันได้ น้อยก็หยุดด้วยสติก่อนหยุดถ้าถ้าจะหยุดถาวรก็ต้องหยุดด้วยปัญญาคือเห็นว่าเป็นอนัตตาพอเห็นได้อนัตตาพระ ก, ก็จบแทนที่จะเห็นว่าเป็นลูกเราสามีเราก็เห็นว่าเป็นอนัตตาก็จบเป็นดินน้ำลมไฟเป็นธรรมชาติไม่มีตัวไม่มีตนอยู่ในสิ่งเหล่านั้นมันก็จะปล่อยวางได้มันก็จะมันก็จะละความอยากในตัวเขาได้ มันก็จะไม่ทุกข์กับเขาต่อไปดังนั้นก็ขอให้เราคอยดูผลจากการปฏิบัติของเราว่าเรามีความสงบมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงมีความอยากน้อยลงหรือไม่ถ้าความอยากยังเท่าเดิมความวุ่นวายใจยังเท่าเดิมอยู่ถึงแม้ว่าเราจะนั่งสมาธิได้นานเป็นชั่วโมงรักษาศีนได้ทำทานได้ แต่ใจยังไม่สงบใจยังวุ่นวายใจยังโลภยังอยากได้สิ่งต่างๆอยู่ก็แสดงว่าเราปฏิบัติไม่ถูกทางเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อละความอยากหยับความทุกข์เรากลับปฏิบัติเพื่อสร้างเพิ่มความอยากเพิ่มความทุกข์ให้มากขึ้นเป็นคนที่ถูกมีความเข้าใจผิดว่าการทําทานแล้วจะทําให้เขาล่ารวยยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้เขา เกิดความทุกเวลามันไม่รวยขึ้นมาแล้วเวลาเกิดความน่ํารวยขึ้นมาก็เกิดความเข้าใจผิดก็อยากจะทําให้มากขึ้นรวยมากขึ้นมันก็จะถูกติดอยู่กับการาทําทานเพื่อให้เกิดความน่ํารวยขึ้นมาไม่ได้ทําทานเพื่อให้ลดละความอยากให้น้อยลงไปภพชาติมันก็จะไม่ลดน้อยลงไปมันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อย เรื่องความจริงการทําทานมันก็มีอ น, นิสงผลคล้อยได้คือความร่ํารวยเช่นตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่ก็จะมีทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองรองรับเราอยู่มากขึ้นแต่ทรัพย์สมบัติเงินทองนี้ไม่ใช่เป็นเครื่องมือที่จะมาดับความทุกข์ใจที่จะมายุติการเวียนว่ายตายเกิดของเราได้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปหลงกับผลคลอยได้เราต้อง พุ่งไปที่ผลหนักคือการตัดความอยากอยากร่ำอยากรวยอยากมีอยากจะใช้เงินใช้ทองไปซื้อความสุขต่างๆไปดับความทุกข์ต่างๆอันนี้ไม่ใช่เป็นการดับความทุกข์ที่ถูกต้องการดับความทุกข์ที่ถูกต้องต้องเข้าไปข้างในใจต้องไปรักษาศิงต้องไปเจริญสติไปภาวนาเพื่อให้เข้าข้างในแล้วจะได้เห็นต้นเหตุ ข, ของความทุกข์ใจ เห็นความทุกข์ใจและเห็นการเครื่องมือที่จะดับความทุกข์ใจนี้อยู่ข้างในใจและจะสามารถที่จะดับความทุกข์ใจลัาความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจให้หมดไปได้นี่คือการปฏิบัติธรรมผลของการปฏิบัติธรรมอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ความทุกข์น้อยลงไปความสงบความสุขเพิ่มมากขึ้น ความอยากได้น้อยลงไปการปล่อยวางมีเพิ่มมากขึ้นไปให้ดูตรงจุดนี้แล้วเราจะได้ไม่หลงทางแล้วเราจะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกได้ไปถึงกันการแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยาถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาัารังเอวะนเณวอิโตทินังเปตานังอุปกัรปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิป้าเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกาปาจันททปนะระโสยาถามานิโชติ ราโสยถาสัพิต so ิโยวิวัชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวทวันตารโยสุขีทีขายุโกภวาอภิวาทานสีลิศะนิจังวุฒาปัจจายโนจตารุธรมมวัทานติอายุวันโอสุขังภาลัง ใครมีคำถามอะไรไหมยอยากจะถามมาเชิญรู้สึกใ่าใจของลีกมันเป็นชวิตอะไำตัวเพราะว่าเวลาที้แ่กอนสมัยตอนที่ลูกกำลังเล็กๆๆๆๆย้ายากครทำรอนแบบว่าทำรูนแลก็ม่ไร้ต่นตัวหรรู้สึกว่าโลกนี้มันเป็นชีวิตปะ พูขึ้นมาว่าจะลบมีสวัสดีมีนการมีทาเต็มมท้อนเต็มกับใครเหมือนเรื่องมาศึกษาบ้างจริงๆแล้วมันต้องมีแม่แบบเป็นกาไรกันก็เลยทำความดีแล้วทำความดีมากๆแล้วก็มาต้อนดีแล้วเาบอกว่าเขาเลยไปตั้งฉากแบบคือว่าทำคการดีแล้วความดีต้ไม่เที่ยงผดแล้วท่านเราทำดีหมดดีแล้วก็ยังต้องมาเกิดผับคร ลูกจะรู้สึกว like ่าค้อมีความคิดเมื่อมันมีเรื่องแบบนี้นะคะยังจะต้องเรียนได้ไกลถงแบบหนักโดยารเี้ก็ยังต้องทํานเป็นเรื่องก็ยังต้องตัดสินใจกับอุปนิ้ัยที่เลือกเองทำเผือความรขึ้นมาในหัวใจแมจะเป็นฉต่ความตั้งใจกเคือลูกจะรู้สึกว่ามันติดใจเองแต่ใจเองมากเลย ลูกปเจ็ e ซึมเลยต่อต่อใจเขาเพื่อว่ปกติค่ะหลังจากรัู้กก็มีอาการเจ็ข้ามักจะร้องไห้โดยที่ไม่มีสาเหตุหรือบางครั้งมเหตุเรื่องอะไรใช่ไหมลูกจะร้องไห้ไม่หยก็กะขอพ่อด้วยการปฏิบัติให้ไปทด้ถูกต้องถูกทางค่ะเราไม่ได้ควบคุมใจเราเราปล่อยใจเราไหลไปตามอารมณ์ต่าง ก็อารมณ์ของความอยากอยากนึกๆที่เราไม่รู้เสียด้วยซ้ําไปว่าเราอยากอะไร<ม>แล้วพอมันไม่ได้มันไม่ได้ความรู้สึกที่ดีแล้วก็ยิ่งเกิดความซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้นเกิดความอยากมากขึ้นอยากให้มันหายจากความซึมเศร้ายิ่งอยากมันก็ยิ่งซึมเศร้าใหญ่เพราะเราไปทําไปเสริมความอยากวิธีที่ควรก็คือเราต้องใช้สติหยุด มันอย่าไปปล่อยให้มันไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปท่องพุทโธพุทโธไปภายในใจแล้วอารมณ์ต่างๆมันจะสลายไปแต่มันก็สลายชั่วขณะที่เรามีสติใช้สติพอเราหยุดใช้สติเราเริ่มคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ทำให้เกิดอาการเสืมเศร้าขึ้นได้ถ้าเราอยากจะให้มันหายไปอย่าง ท้าวอก็เราต้องใช้ปัญญาเราต้องมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้แหละเราไปเปลี่ยนแปลงขาไม่ได้แม้แต่อารมณ์ของเราการซอมเศร้าของเราตอนนี้ถ้ามันจะซึมเศร้าเราก็อย่าไปอยากให้มันหายปล่อยมันซึมเศร้าไปอยู่กับมันไปให้ได้เดี๋ยวมันก็จะหมดกำลังไปเอง ความเกิดความก่าองลัวากลัวนี่มันมันดีมันดีเพียงแต่ว่ามันกลัวแบบไล่เหตุไล่ผล <c oughs> คือไม่การกลัวนี่มันก็จะทําให้เรากระต้นหาวิธีหาทางออก <c oughs> ทางออกของพระเจ้าเกิด อ, อย่างที่ได้เทศมาเมื่อกี้เนี่ยให้ภาวนาให้เข้าไปข้างในดึงใจให้เข้าไปข้างในไปหาต้นตอของ ตัวที่จะพาให้เราไปเวีนว่าตายเกิดแล้วไปหยุดมันให้ได้มันอยู่ข้างากลางแบนี้นะคะน่าจะเป็นที่นั่นแหละมันจะปวดอย่างไรก็อย่าไปสนใจมันถ้าเรายังอยู่ได้ยังหายใจได้ยังทําอะไรได้ก็ทําของเราไปถ้ามันเป็นทางร่างกายก็ต้องไปหาหมอดูว่าให้หมอเขาดูว่ามันเป็นเหตุอะไรถ้าเป็นทางใจที่มันถูกความ ความเครียดของใจไปทำให้มันเกิดขึ้นมาเราก็ต้องมาหยุดความเครียดคือว่าเราต้องทำใจให้สงบต้องการค้งเวลาเราทํงธรามะไม่่ากนไม่ตาา่างนเลยในสุดยอเป็นความจริงเป็นศัพท์ทางใจแบบนี้ค่ีจ้าภาพคุณแม่ค่ะก็เนพวกแบบบอกนสุกับว่าอยากจะเข้าไปสึกษาแต่เป็นซี่ะค่ะ ก็พยายามทําเท่าที่เราทําได้ไปก่อนเลยตามตามกําลังของเราไปอย่าไปให้ความอยากมันมาอามากกว่าความสามารถของเราใครเรารู้ว่าตอนนี้เราทําได้แค่นี้ก็พอใจเท่านี้ก่อนในตอนนี้เราทํางานได้เงินเดือนเท่านี้เราก็ต้องพอใจกับเงินเดือนก้อนนี้ก่อนอย่าไปอยากได้มากกว่านี้เพราะอยากไปแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ดี ไม่ได้แล้วก็จะทําให้เราเครียดกันทําให้เราท้อแท้เบื่อหน่อยได้แต่ให้เรามองว่าถ้าเราทํามากขึ้นทําดีขึ้นต่อไปเงินเดือนของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นตามลําดับเองกอให้เรามองที่เหตุอย่าไปมองที่ผลอย่าไปอยากได้เฉยๆโดยที่ไม่ดูว่าเรามีกําลังที่จะทําให้มันเกิดขึ้นได้หรือเปล่ามีความสับสนในตัวเองเลยค่ะพี่พอก็คือเวลาเรามาอยู่ ก็ไม่ค่อยมีเรื่องทางโล ก, กะลอะไรสะติอดอะไรก็กรกแ่ ถ, ถ้าไม่มเพื่อนน้อยน้อลงไปตามแบบนะครับเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าเราโดดเดียวแลก็มีความหนื่อยมาบ้านก็ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเวลาท่านตัดสรู้ท่านมีเพื่อนที่ไหนท่านก็ตัดสรู้คนเดียวเวลามีเพื่อนมันก็ตัดสรู้ไม่ได้เพราะเพื่อนมันจะมาคอยชวนคุยมาชวนเล่นชวนกินชวนดื่มชวนเที่ยว มันก็จะไม่มีเวลาที่จะมาดึงใจให้เข้าข้างในเข้าสู่สัจธรรมความจริงดังนั้นขอให้เราดีใจว่าไม่มีเพื่อนนะดีแล้วเราจะได้ตัดสั้นเราจะได้ดูดพ้นเร็วๆเพื่อนนี่แหละเป็นตัวถ่วงไม่ใช่เป็นตัวเสริมเราไม่จำเป็นต้ไปเกิดตัวมีสามคนมากหรืที่ใครเขาบอกนตัดเป็นอ น, นอันนั้นเป็นสังเป็นความคิดของคนหลงคนที่ชอบเยนไหวาตายเกิดถ้าเราไม่ชอบเยนไหวาตายเกิดเราต้องชอบอยู่คนเดียว เพราะการอยู่คนเดียวเท่านั้นนะที่จะทำให้เราหลุดพ้นได้เวลาภาวนานี้เราไม่ได้ไปภาวนากับคนอื่นเราภาวนาคนเดียวเพราะเวลาภาวนาคนคนอื่นมันจะมารบกวนกันเรานั่งได้ยาวเขานั่งได้สั้นเดี๋ยวเขาลุกขึ้นมาส่งเสียงดังมาชวนเราคุยมาชวนเราพูดเราอยากจะนั่งต่อก็นั่งไม่ได้เพราะเกลใจกัน เอาไว้เป็นไหนดเอาไว้ที่พุทโธเเอาไว้ที่คําพูดเนี่ยเอาไว้ที่คำพูดให้อยู่กับคําพูดอยู่กับมม่อยู่ที่คําว่าพุทโธเนี่ที่คำว่าพุทมันจะพี่หปลที่ใจหรื่ะมันจะเข้าไปเองเดี๋ยวมันจะเดมันจะดึงเข้าไปเองถ้ารู้สึกกังที่ใจแล้วมันเจ็บๆอย่าเลื่อนมาเลยอย่าไปสนใจอย่าไปให้อยู่กับพุทโธให้ท่องพุทโธพุทโธไปอย่าให้มันลืมอย่าให้มันหายไป ให้จำว่าตอนนี้เราไม่มีพุโทโธอย่างเดียวอยู่ในใจของเราให้เข้าดูว่าคำพุโทโธบริกรรมพุโทโธนี้มีอยู่หรือเปล่าถ้ามีอยู่ต่อไปมันจะไม่เจ็บถ้าใจมันเจ็บเฉพาะเวลาที่มันเครียดนี้ก็แสดงว่ามันเจ็บเพราะใจทําให้มันเครียดทําให้มันเจ็บแต่ถ้ามันเจ็บตลอดเวลาอันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของร่างกายสุขภาพร่างกาย า, าอ่ ถ้าบางเวลามันก็คงจะเป็นเรื่องของจิตเอเราก็อย่าไปสนใจมันแล้วก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเอเราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้บางเวลามันก็มาบางเวลามันก็ไม่มาลูก อ, อยากถามว่าเวลาความเจ็บปวดถกขึ้นในร่างกายอยู่านแรงมากมากเมื่อไหร่ว่าบางพระอนให้เกียติตัวอย่าไปอยากให้มันหายปล่อยให้มันแรงไป เรารับรู้เฉยๆให้รู้เฉยๆเหมือนฝนตกแดดออกอยากก็อยากให้มันหยุดถ้าหยุดแล้วมันจะยิ่งเครียดขึ้นมายิ่งทุกข์มากขึ้นมาใหญ่อ่ินาทางจิตธานาทางจิตก็เกิดจากความอยากนี่เองแล้วก็ใช้พุโทโธพุโทโธหยุดความอยากไปก่อนร่างกายต้องปล่อยต้องปล่อยวางถ้ารักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไป เดี๋ยวมันก็หายเองไม่มีอะไรมันจะเป็นไปตลอดเป็นแล้วก็หายหายแล้วก็เป็นนี่คือเรื่องของเวทนาทางร่างกายแต่ทางใจนี่เราเราหยุดความความทุกข์ทางใจได้ด้วยการปล่อยวางความทุกข์ทางร่างกายแล้วใจเราจะไม่ทุกข์กับความทุกข์ของร่างกายการเข้าสกระแสพลิ้วไพเรื่อดาดางราวแห่งการเริ่มต้นเออเนี่ย ก็เนี่ยต้องเข้าไปข้างในใช้พุโทโธดึงเข้าไปให้ถึงใจถึงจุดข้างในแล้วก็จะเห็นเห็นการเกิดการดับของทุกข์ของสมุทยัยของนิโรธมากขึ้นมาได้ถ้าไปถึงจุดนั้นแล้วก็ปิดได้เพราะจะไม่ทำบาปโดยเด็ดการเราสามารถดึงใจไม่ให้ไปอบายได้ให้ใจตั้งอยู่ในความสงบมันก็ไปไม่ได้นะ เวลเราตายแล้วเราทําใจให้สงบนี่มันก็ไม่ไปนะอบายที่มันไปอบายเพราะมันเกิดความกลัวเกิดความโลภเกิดความอะไรต่างๆขึ้นมามันก็เลยปั่นป่วนไปหมดมันก็เลยไปอบายนี้ลูกก็เลี้ยงสุนัไดด้วยอะไรกันบ้างก็เลี้ยงไปถึงเวลาจากกันก็จากกันไปอ่าเราก็คุยกนไม่ได้เกี่ยกันเป็มันใคะเพราะไม่เกี่ยวกันมันก็มันเราก็เราถ้าเราไม่ไปทําบาปทํากรรมแล้วก็ ไม่ไปเกิดเป็นโซนักถ้าไปเกิด เ, ดเป็นเดรัจฉานเพราะเราทำบาปโดยโดยโด ย, โดยไม่รู้ไม่รู้ว่ามันบาปเช่นคนที่เขาทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้เขาคิดว่าไม่บาปเพราะต้องเลียเลยเเล้ยงปากเลี้ยงท้องเขาจะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมันก็บาปอยู่ดีคนที่เป็นทหารตำรวจไปรักษาประเทศชาติไปฆ่าเขาก็บาปเหมือนกัน เห็นแต่ว่าบาปมบาปบาปหนักบาปเบาถ้าบาปหนักก็บ่าเขาด้วยความอาฆาตพยาบาทอะไรนี้ก็ไปนะลกคุณคนที่เป็นฆราวาสมีครอบครัวถือสิทธิห้ากับคนที่เขาสามารถถือสิทธิ์สิทธิ์แต่การเดินทางเข้ามาฝคนที่ถือสิทธิ์แตกก็จะได้ไปเลแน่นอนแน่นอนเพราะคนที่มีครอบครัวก็มีภาระผูกพัน ไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติธรรมได้คนที่อยู่คนเดียวยิ่งถือสิ่งแปดได้ก็ยิ่งจะตัดภาระต่างๆสิ่งที่เป็นอุปสรรคขวางการการปฏิบัติได้เกือบหมดก็จะสามารถปฏิบัติได้มากกว่าคนที่ถือสิ่งห้าคนที่มีครอบครัวถ้าเราถือสินงแปดเราก็สามารถอยู่บ้านได้ก็ได้ เห็นแล้วว่าการปฏิบัติที่บ้านกับการปฏิบัติที่วัดมันอาจจะต่างกันสถานที่มีผลต่อการปฏิบัติถ้าเราอยู่ที่มันเงียบมันห่างไกลจากความวุ่นวายต่างๆการปฏิบัติมันก็จะง่ายกว่าถ้าอยู่ในบ้านอยู่กับคนอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆ่ามันก็จะยากกว่าเหมือนกับขับรถบนทางด่วนกับขับรถบนใต้ทางด่วน คนที่ถือสีห้าก็เหมือนยังขับรถอยู่ใต้ทางด่วนคนที่ถือสีแปดก็เหมือนได้ขึ้นทางด่วนขึ้นทางด่วนมันก็ไม่มีสีแยกไฟแดงมันก็วิ่งไปได้ตลอดไม่ต้องเสียวเวลาจอดคนที่มันอยู่อยู่ใต้ทางด่วนมันก็มีสีแยกไฟแดงมีรถติดอะไรต่างๆมันก็ไปแบบคืบคานไปคนที่เขาอยากจะไปนิพพานเร็วๆก็ถึงบวชกันเนี่ย ถ้าบวชแล้วพุทธเจ้า ก, ก็รับรองเลยนะว่าภายในเจ็ดเดือนเจ็ดวันเจ็ดปีเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนี้จะต้องถึงพระนิพพานอย่างแน่นอนถ้าอยากจะไปก็รีบไปบวชนะก็ยกลูกให้คนอื่นก็ไปเมืนะ่อไหรจากประกาศติดในอินเทอร์เน็ตเลยว่ามีลูกสองคนอยากจะยกให้ใครอยากจะเอาก็มารับไปได้เลย You want to learn how to meditate. The meditation is the the art of controlling your your thoughts, your mind. When we meditate, we want to stop the mind from thinking, because when the mind stop thinking, we will find peace and happiness. In the peace, without the mind, if we cannot stop the mind from Thinking, we will, we will not be able to find this inner peace, inner happiness. And the way to stop the mind from thinking is to let the mind think about some one particular thing at at at at one time. Like we use a mantra, a word to let the mind keep repeating, keep reciting the same word. You can choose any word you like. But in in Buddhism, we use the name of the Buddha. So we we'll recite b u t t o b b u t t o continually all the time, from the time t h m you get up to the time you go to sleep. Whatever you do, you keep reciting the the name of the Buddha mentally, not not verbally, just inside. You can do anything. Like when you get up, you go to the toilet to shower, to wash your face, to brush your teeth. You keep continuing reciting the name of the Buddha, just so that you can prevent your mind from thinking about things that you shouldn't be thinking about. But if you have things that you have to think, then you can temporarily stop reciting the name of the Buddha. And and think whatever you have to think. Like for instance, you have to prepare yourself for today's work. What you have to do, where you have to go. Well, then you can stop reciting the the name of the Buddha temporarily. But once you have figured out what you're supposed to do, and you have no more reason to think about anything, then you come back to recite the name of the Buddha. You can only stop deciding only if you stop. You're not thinking about other things. If you feel that like you you you're not thinking about other things, and you're just being aware of, of your situation, being aware of what you are doing at the moment, and not thinking about yesterday or tomorrow, thinking about this person or that person, then you can. You, you don't have to recite the name of the Buddha. Just just as long as your mind doesn't think. But when your mind start to think, then you use, you have to apply the name of the Buddha to stop your thinking, and this is this is what we call the development of mindfulness. This is only the the preliminary stage of meditation, because when you want to fully stop the mind from thinking and and be peaceful and happy, you have to sit still. Now you have to sit cross-legged or sit on a chair, and then close your eye, and then concentrate on reciting the name of the Buddha for as long as you can until the mind eventually uh, stop thinking, and the mind enter into a state of emptiness and calm. Then you have achieved your your meditation. When you get to that stage, then you will find that. That is the, the the the the stage of harmony, peace, uh, contentment, and you feel safe and protected. You won't feel, uh, you won't be affected by what was happening around you or to your body. Yeah. Then you will have the mental strength to withstand things that will happen or happening to you. And you have to keep repeating doing this constantly as much as possible. The more you do it, the more proficient you'll become. Then you'll be able to control your mind, control your thinking. Once you can control your mind, control your thinking, you can control the happiness within yourself. You can maintain this peace and happiness all the time. Regardless of whatever happened outside of your your mind, it will not be able to affect your mind. I have a book in English. You can okay. Try to read and study first, so you can get an idea what you r e supposed to do, and then try to to follow the instruction. But you're gonna need a lot of time because meditation is something that you have to have a lot time for in order to get the result. If you only do it uh, casually or do it now and then here and there, you won't get much result, and then you might become discouraged. So don't blame the the the practice, and uh, don't blame the the teaching. Blame yourself for not being able to to put in the effort. It's a lot of work. You have to do it all day long. Like, can you try to recite the name of the Buddha from the time you get up to the time you go to sleep? Try it. If you can do that, you will find yourself move forward. Mm -hmm. If you cannot do this, then you you're still not getting anywhere. So this is the first step. Try to recite the name of the Buddha as much as possible in your daily activity, daily life. Whatever you do, when you don't have to think about things, then just keep reciting the the name of the Buddha in order to quiet your mind, in order to calm your mind. When you feel jittery, when you feel excited, try to recite the name of the Buddha. It will help to calm your mind. Anything else you want to know? Uh, okay. Okay, good. I hope you find success in your practice. Okay. มีใครอยากจะถามอะไรก็ป่าวันนี้มีทางอินเทอร์เน็ตไหมไม่มีเลย มีคำถามที่เขาถามพระอาจารย์มาทางข้อความนะครับที่ถามว่าอยากทราบว่าสัตว์ตัวหนึ่งกําลังตายอย่างทรมานแต่เราไปฆ่ามันให้ตายเร็วขึ้นเพราะมีเจตนาเพื่อให้มันทรมานน้อยกว่าเดิมถือว่าบาปไหมคือมีเจตนาดีแต่ปรทุสร้ายเขาเนะถ้ า, ถ, าถ้าเราเป็นเขาเราจะคิดอย่างไงเรากําลังกําลังไม่สบายเขาอยากจะให้เราหาย หายจากการไม่สบายด้วยการค่าเราให้เราพ้นจากความทรมานความจริงความทรมานนี้ถ้าเรามองทางมุมจากของศาสนานี้มันเป็นข้อสอบมันเป็นโอกาสที่จะทำให้เรานี่หลุดพ้นจากความทุกข์ใจที่เกิดจากความไม่สบายได้ถ้าเรามีคนมาสอนอย่างพ่อของพระพุทธเจ้าพระราชบิดาท่านก็โชคดีตอนที่ท่าน เจ็บค่ายได้ป่วยกล้จะตายก็มีพระพุทธเจ้ามาทรงสอนให้มาจากวิธีปล่อยวางความเจ็บปล่อยวางร่างกายท่านก็เลยได้บรรลุได้เป็นพระอรหันต์ถ้าท่านยังไม่เจ็บไายได้ป่วยพระพุทธเจ้าก็ไม่มีโอกาสที่จะไม่มีเหตุที่จะมาสอนเพราะสอนก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ปฏิบัติเพราะยังไม่ได้เข้าห้องมันไม่มีเหตุการณ์บังคับให้ปฏิบัติ แต่พอมันเจ็บไข้ได้ป่วยมันมันมันทรมานก็อยากจะหายจากความทรมานพอมีคนมาบอกวิธีปั๊บแล้วทําตามได้ปั๊บมันก็หายจากการทรมานใจได้ก็บอกว่าเนี่ยที่มันทรมานใจเพราะเราอยากให้มันหายหรือเรากลัวมันเราอยากจะหนีจากมันไปที่เราหนีไปจากมันไม่ได้ให้มันหายไม่ได้ยิ่งอยากมันก็ยิ่งทุกข์ยหญ่ งั้นถ้าเราอยากจะไม่ทุกข์เราก็ต้องหยุดความอยากอยู่ก็มันไปปล่อยมันไปมันจะอยู่ก็อยู่มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปเนี่ยพอปล่อยแล้วใจก็โล่งเบาสบายเหมือนกับไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นที่ร่างกายแต่ทางโลกเขาไม่รู้เรื่องเราเหล่า น, นี้เขาก็ทําไปตามความอยากส่วนใหญ่ก็ทําตามความอยากของเขาแหละไม่ได้เป็นตามความอยากของสันหรอก เราก็ไม่รู้ว่าสัตว์มันอยากจะอยู่ต่อไปหรือไม่เราก็ไม่รู้แต่เราทุกข์เพราะเราไปเห็นมันทรมันมันมันเจ็บไข้ได้ปวดแล้วเรารู้สึกว่ามันทรมานความจริงเราทรมานเองแล้วเราอยากจะให้ความทรมานใจเราหายไปเราก็เลยไปฆ่ามันด้วยการคิดว่าเราไปช่วยมันให้มันหายจากการทรมานใจแต่ความจริงเราต้องการจะหายจากความทรมานใจของเราเองต่างหาก ม, ม, ม, ม, มีแน่นอนมีเจตนาที่จะไปฆ่าเขา ก็จะว่ายอย่างนั้นก็ได้ทําอะไรไว้ก็จะต้องได้อย่างนั้นกลับคืนมาให้ทุกแต่ท่านทุกนั้นก็จะกลับมาหาเราให้สุขแต่ท่านสุขนั้นก็จะกลับมาหาเราถ้าเราปฏิบัตวิวางดีมากๆจะไม่ท่านเกิดไรบ ก, กนวนตายอะไรอย่างไรด้คได้ก็ถ้าเป็นผ้าลานก็ไม่มีอะไรตามมาได้อย่างพระองคุลิมานนี่ฆ่าคนมาแล้วเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคน พอได้มาปฏิบัติทำเป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ต้องไปเกิดไปใช้กรรมอีกต่อไปเพราะไม่มีการเกิดอย่างแล้วเมื่อไม่มีการเกิดก็ไม่มีไม่มีการที่จะต้องไปใช้กรรมที่ไหนต่อไปเอานถ้าอยากจะหลุดพ้นจากกรรมอย่างท้าวรก็ต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์ไปพระนิพพานให้ได้ก็ต้องปฏิบัติทานศีลภาวนาให้ได้ก็ต้องอยู่คนเดียวให้ได้ ลูกก็ยกให้คนอื่นไปให้ได้ถ้ารอเวลามันอาจจะไม่ทันการนะออไม่รู้กี่ปีกว่าลูกจะโตเราอาจจะเจ็บ่ายได้ป่วยนึกเป็นอะไรไปก่อนไม่ต้องขอก็ได้อยู่ในใจของคุณเอง <c oughs> <c oughs> คุณขอแล้วคุณไม่นึกมันก็ไม่ได้อยู่ดีก็อาหนังสือแวอ่าน เอาซีดีไปฟังแล้วก็สาวอาทิตย์ถ้ามีเวลาอยากจะมาฟังสดๆก็มามีปัญหาก็มาถามได้อย่างนี้ในกรณีถ้าผู้ป่วยหนักๆนะครับอาจารย์แล้วทางญาติพี่น้องเนี่ยยินยอมให้ถอดเครื่องช่วยหายใจเนี่ยอย่างนี้บาปไหมครับในกรณีที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าหนักมากนะครับเครื่องช่วยหายใจมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นส่วนของชีวิตของเขา เราไปเพียงไปพ่วงต่อชีวิตของเขาอยู่ได้ก็เพราะว่าเขามีเครื่องช่วยหายใจการที่เราเอาเครื่องถอดของพวกนี้ออกเราไม่ได้ไปฆ่าเขาเราปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติอยู่ตามกำลังของเขาถ้าเขาอยู่ได้เขาก็อยู่เขาอยู่ไม่ได้เขาก็ไปไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้เป็นการไปฆ่าเขาการไปฆ่าเขาก็คือเอายาพิษไปฉีดใส่ร่างกายเขาอย่างนี้ อยากจะให้เขาพ้นพ้นพ้นจากความทุกข์ไปเร็วๆก็เลยเอาสารพิษไปฉีดนี้มันต่างกันนะระหว่างที่เราเราถอดเอาของที่ที่คอยสนับสนุนเขากับการที่เราเอาสารพิษไปใส่ในร่างกายของเขาการถอดของต่างๆออกไปนี้ก็เป็นเพียงแต่การปล่อยให้ร่างกายของเขาอยู่ตามธรรมชาติของเขา ถ้าร่างกายเขาอยู่ได้ก็อยู่ไปถ้าอยู่ไม่ได้ก็ก็ถึงเวลาที่ควรจะไปการที่เราไปเหนียวลังไว้มันก็เป็นปัญหาความอยากอยากทั้งของถ้าถ้าคนไข้ขอร้องให้มีอยู่นี่ก็เป็นความอยากของคนไข้คนไข้ ย, ยังไม่อยากตายยังไม่ยอมรับความจริงก็อยู่แบบไม่ไม่ได้ทำอะไรอยู่ดีไม่ได้ทำประโยชน์อะไรก็นอนไปอย่างนั้นเองนอนไป ให้ร่างกายมันอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเลี้ยงดูไปสำคัญที่ใจของคนไข่ามากกว่าว่าคนไข้เขาทําใจได้หรือเปล่าถ้าเขาทําใจได้แล้วก็ไม่เป็นปัญหาอะไรจะมีสายงสายยางหรือไม่มีเขาก็ไม่เดือดร้อนเพราะเขารับได้ทั้งสองรูปแบบอยู่ก็ได้ไปก็ได้ อย่างหลงปูชานี่ตอนที่ท่านป่วยท่านก็อยู่มีเครื่องมีสายยงสายายางอะไรอย่างต่างท่านก็อยู่ของท่านไปอยู่กับมันไปเพียงแต่ว่ามันอยู่แบบไม่สบายหมูตาท่านก็เลยไปบอกลูกศิษย์ว่าอย่าไปทรมานท่านเลยให้ท่านอยู่แบบไม่สบายทำไมให้ท่านอยู่แบบสบายไม่ดีกว่าอยู่สบายก็คือให้ร่างกายนี้มันหายจาก ความเจ็บไายได้ป่วยและวิธีที่จะหายก็มีวิธีเดียวก็คือให้มันตายไปนั่นี้วิธีรักษาที่ถูกต้องก็ปล่อยให้มันตายไปพอตายไปแล้วก็ท่านจิตของท่านจะได้ไ ม, ไม่ไม่ต้องมารับรู้กับความเจ็บไขยได้ป่วยของร่างกายต่อไปใช่ไหมหลวงตาท่านเป็นคนไปบอกให้เขาถอดออกใหมเจ้าที่ได้ยินทราบมา อันนี้ก็ไม่ได้เป็นบาปแต่อย่างใดได้ถามเลยคือที่ตลาดน้ำเทอร์เรียนะคะที่หนูอยู่แต่ว่าจะมีร้านขายโช๊คแอร์หรืออะไรแบบี้ก็อยู่ในตลาด่ะถ้าท่านเราจะยืนตรงหน้าร้านขายเลยแล้วมีอยู่ข้านั้นนะคะหนูไม่ได้กางข้างซ้า หก็เด mm. okay. ินลงไปซ้อถั่วเปล่าท่านก็เนีายแต่ตอนนั้นหนยไม่ได้ตั้งใจจะสปล่าใหมอ้ก็เลยรู้สึกวาแ้ไม่น่า่แต่ลัจากนั้นหนก็เอาไปิหนก็รู้สึกไม่จะามใจหนก็เดินลงมาใส่วเปลาันหน่อยก็เลยอยากจะถามว่าพระต้องเดินเป็นขบัตไปหรือพระต้องยืนรออยู่ที่ร้านสายของน่คือ คือการบินตบบาทของพระก็คือการยังชีพของท่านที่ท่านต้องออกบินตบาทเพราะว่าต้องให้มีอาหารมารับประทานเพื่อยังชีพก็วิธีจะบินตบบาทก็มีหลายรูปแบบตามเหตุการณ์สมัยโบราณสมัยก่อนหรือตามสถานที่ที่เขามีบ้านเรือนมีคนคอยใส่แล้วก็เดินไปตามละแวกของบ้านเรือนเขา ถ้าไปอยู่ในสถานที่ที่เขาไม่ได้ไปใส่ตามบ้านเรือนเขามาใส่ที่ร้านขายของกันเพราะสมัยนี้บางทีเขาต้องการความสะดวกคนอยากจะใส่บาตก็ไม่มีเวลาที่จะทากับข้าวทาอาหารหรือเอาอาหารเสื้ออาหารแล้วไปนั่งรอพระอยู่ที่บ้านเพราะจะต้องรีบไปทางานเขาก็มาใส่ตรงที่ร้านขายอาหารนั้ น, นดได้เหมือนกั น, น, กนแต่ว่าถ้าท่านยืนรอนานเกินไปแลวมากเกินไป มีสองสา ม, สามกระเป๋าแล้วยังไม่ไปอย่างเงี้ยแสดงว่าอันนี้บาปท่านบาปก็ท่านโลภไม่ได้บินตาบาดเพื่ยิงเลี้ยงที่บินตบาดเพื่ออะไรก็สุดแท้แต่ท่านอาจจะไปเลี้ยงหมาก็ได้ไม่ทราบนะเพราะปกติพระจะมีหมามาอาศัยอยู่เยอ ะ, ะอบางทีท่านก็สงสารหมาบ้างลุกศิษย์วัดก็มีบ้าง เ, าไเาอไม่มีเสียหายอะไรหรอก<า> นอกจากมีที่ไม่น่าดูหน่อยก็คื อ, อยืนตรงนั้นแล้วก็พอได้ของมาก็เทให้ร้านเอาคืนเจ้าของร้านไปแล้วก็รับเงินมาแทนไอ้อย่างนี้มันก็ไม่เหมาะ้วเพราะไม่ได้เป็นการยัก บ, บินบารเพื่อหาอาหารมาเลี้ยงหาทรัพย์ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ห้ามอยู่ล้ไม่ให้พระหาหาเงินหาทองถ้าอย่างนั้นก็ไม่เหมาะแต่ถ้าท่านต้องอยืนตรงนั้นเพราะไม่มีที่ไป พอเราเคยไปอยู่ที่กรุงเทพบางทีเราก็เคยไปวินทาบาทไปเดินตามแล้วว่าไม่มีใครเขาใสหรอกเราไปที่ตลาดนูนะ่นเนี่ยแต่เราก็ไม่ไปยืนนั้นแล้วก็เดินถ้ารอบแรกไม่พอเราก็เดินกลับมาอีกรอบหนึ่ง ได้เป็นบุญสําหรับเราแต่อาจจะเป็นเป็นบาปสําหรับท่านก็ได้อยูอ่ที่ว่าท่านจะเอาเงินนี้ไปใช้อะไรการที่ดีก็คุณไปใส่ออเออแลอย่างนี้ในกรณีถ้าเราถวายส่งเป็นสังฆทานนะครับแต่ว่าอาพระองค์นั้นนําไปใช้ส่วนตัวโดยที่ไม่แจ้งให้คนทราบนี่นได้นะครั บ, รบก็เขามีทําพิธีวปรโลกันก่อนไง หรือว่าเป็นความที่เข้าใจกันในวัดแล้วว่าของทั้งหมดนี้ที่รับมานี้เป็นของของสงฆ์แล้วก็พระทุกรูปมีมีสิทธิ์ที่จะเอาไปใช้ได้อย่างที่วัดาบ้านตา น, นี่ของที่ได้มาก็จะมีเอาไปใส่ไว้ไวเก็บในที่ที่เวลาพระอยากจะได้อะไรก็ไปหยิบใช้ได้เช่นต้องการ สบู่แฟฟหรืออะไรต่างๆก็หยิบใช้ได้แล้วก็ถ้ามีเหลือจะเอาไปสงเคราะห์ผู้ที่มีพระคุณกับวัดก็ได้เพราะวัดบางทีก็มีคนมาช่วยทำงานก็เราก็ต้องตอบแทนบุญคุณของเขาก็อเอาของส่วนนี้ไปถ้าตราบใดเป็นความเข้าใจกันในวัดว่าทำได้ก็ถือว่าไ ด, ได้ได้อนุญาตกันแล้วคือไม่ต้องมาขออนุญาตมาบอกกันทุกวาระทุกเวลาที่จะทา แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นของส่วนกลางแล้วยังยังยังไม่ได้ประกาศบอกว่านี่เป็นของส่วนกลางแล้วก็เอาไปใช้เองแล้วเอาไปเก็บไว้เป็นของตนเองอันนี้ก็ผิดหลักของของการใช้ของสังฆทานคำว่าสังฆทานนี้เป็นของที่ถวายให้เป็นส่วนกลางของของพระไม่ได้เป็นสมบัติของพระรูปหนึ่งรูปใด พระรูปนรูปใดจะมาเอาถือเป็นสมบัติของตนเองไม่ได้ถ้าจะเอาไปใช้ก็เอาไปใช้ตามที่ที่สงได้อนุญาตไวเช่นเราจะนิยมถวายถาวราวัตถุต่างๆเป็นสังฆทานหมดศนะาลาคุตินี่เป็นสังฆทานนั้นคือไม่ได้ให้เป็นของพระรูปหนึ่งรูปใดเป็นเจ้าของแต่ถ้าอยู่ก็อนุญาตให้ถือเป็นเจ้าของได้ชั่วคราว แต่ถ้าไม่อยู่แล้วก็ต้องถือว่าไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วก็ต้องปล่อยให้ผู้ที่ผู้อื่นที่เขาไม่มีที่อยู่มาอยู่ได้่ <c oughs> นเวลาเราไปที่อื่นไม่อยู่เป็นเดือนนี้เราก็ไม่ควรที่จะเก็บเอาไว้เป็นของเราแล้วควรจะเปิดโอกาสให้ผู้อื่นเขา <c oughs> เข้ามาอยู่ไปเรากลับมาแล้วเราค่อยหาที่ใหม่หรือถ้าพระเท่ามีมารยาท ก, กันพอก็รู้ว่า เป็นขององค์นั้นองค์นี้เคยอยู่มาก่อนเขาก็า จ, จ ะ, ะเปิดโอกาสให้เจ้าของเก่ากลับมาอยู่ต่อก็ได้อันนี้เป็นเรื่องของของคุณธรรมในใจของแต่ละคน <c oughs> แต่โดยหลักแล้วถ้าของเป็นของสงแล้วนี่ต้องมีการรับรู้ก่ันก่อนว่าของนี้จะเอาไปใช้เกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างไรแล้วสงมีฉันทานหรือไม่ ก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าไม่มีฉันทางนุ่มมัดนี้เอาไปใช้โดยโดยพระละการนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดนะขอโอกาสถามเรืองกาในการกักไว้ดูสาพักนนะคะการจุคูุเทียนมีความจำเป็นต้องจุกนะคะเพราะวันครา้งนีากําลังทุ่แรงมากแล้วคั้งเทียนก็ร้อนเปหมดเยถ้าลูกจะกัดเสยแล้วเสียงโดยที่ไม่ได้จุกุบเีย ุคือการบูชาพระนีพ่พระเจ้าทรงตรัสว่ามีสองสองวิธีอามิสบูชากับปฏิบัติบูบชาอามิสบูชาก็คือการจุดทูบเทียนดอกไม้อะไรส่วนปฏิบัติบูชาก็คือการกราบการปฏิบัติธรรม แล้วการบูชาสองรูปแบบนี้พระเจ้าก็ทรงตรัสว่าการปฏิบัติบูชานี้เป็นการบูชาที่แท้จริงส่วนอามิสบูชานี้ทำแล้วจะได้บุญมากจะได้บุญมากกว่าคนปฏิบัติบูชาคงจะไม่ได้มากกว่าแต่ถ้าคนที่มีอามิสบูชาด้วยปฏิบัติบูชาด้วยนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใครจะมีบุญมากกว่ากันแต่คิดว่ายังไงก็อยู่ที่ปฏิบัติบูชาเป็นหะ คนที่ปฏิบัติบูบชาโดยไม่มีวิสบูชาก็ก็จะได้บุญอยู่ดีได้บุญที่แท้จริงเพราะจะบรรลุธรรมได้ก็ต้องปฏิบัติบูบชาไม่ได้บรรลุธรรมด้วยการจุดดอกไม้ทูเทียนูกเจุดทเทียงก็คือเป็นความแสดงความความข่ารล ต่สิ่งที่เราเคารวบบูชาเวลาปฏิบัติบูชานี้เขาอาจจะไม่เห็นก็เลยอาจจะต้องมีเครื่องสักการะบูชาเพื่ออันนั้นก็พระพจาก็ทรงกรัสแล้วว่าไม่สําคัญสําคัญที่ปฏิบัติบูชาก็แล้วกันถ้าไม่ได้มีอมิสบูชาแต่มีปฏิบัติบูชาก็ดีกว่ามีอมิสบูชาแต่ไม่มีปฏิบัติบูชา แต่ถ้ามีทั้งสองอย่างได้ก็ก็ดีแต่ก็ต้องดูการละเทศะดูความเหมาะสมถ้าจุดทูบทั้งบ้านทั้งทุกคนมาจุดทั้งควันกระมงหายใจไม่ออกอนี่ก็อย่างนี้มันก็ไม่ดีนะบางทีไปงานวัดบางแห่งคนเยอะๆนี่เอาทุกคนจุดทูบ ก, กันตเต็มสารานี่ควันกระมองอย่างนี้มัน ก, มนก็มันก็ไม่เหมาะสมละแต่ถ้าจุดคนเดียวสามดอกแล้วก็ บางที่เวลาทําพิธีใหญ่ๆเขาก็มีประธานจุดทูบเทียนกันอย่างนี้ก็ทําให้ดูสวยงามแล้วก็อาจจะเป็นการสอนผู้ที่ยังปฏิบัติบูชาไม่เป็น<ม>ให้เขาได้อย่างน้อยได้มีอภิสบูชาก็ยังดีกว่าคือทําให้หน้อมจิตใจของเขาให้เข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เขามีความเคารพนับถืออ่าดูตามเหตุผลก็ลกันแต่หัวใจหลักก็คือต้องปฏิบัติบูชาอ หมูซื้ปลาจาปะปลาไบ่อยแล้วพอไปถึงน้ำเหมือนกันมันจะตายตัวนึงแล้ตอนที่เขาจับมันมีชีวิตอยูตอนนี้เขจะ เ, เราไม่ได้ฆ่ามันไม่บาปหรอก ไ, ไ, ไ, ไ, ไ, ไ, ไ, ไ, ไม่เป็นไรถ้าเราไม่มีเจตนาไม่มีความตั้งใจอาจจะมีความบกพร่องผิดพลาดน้ําน้อยไปหรือว่ามันป่วยไข้แล้วมันถูกจับมา ผ่านการทรมานมามอมาถึงมือเรามันก็หมดลมหายใจพอดีอันนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องกรรมของมันที่มันถึงเวลาที่จะต้องตายไปเรามีเจตนาดีเราต้องการที่จะช่วยเขาต้องการให้เขาได้มีสารภาพอันนี้เป็นบุญไม่ได้เป็นบาปนะเพรนั้นบุญหรือ บ, บาปนี้อยู่ที่เจตนาเป็นหลัก อยู่ที่ความตั้งใจว่าเราตั้งใจที่จะทําร้ายเขาหรือช่วยเขาถ้าเราตั้งใจจะช่วยเขาแต่ช่วยเขาไม่ได้เขาตายอยู่ดีนี่ไม่บาบยังเป็นบุญอยู่แต่ถ้าเราตั้งใจจะฆ่าเขาเนี่ยเราทําให้เขาตายเนี่ยอันนี้บาปอะไรเป็นสิ่งที่แตกต่างระหว่างคุณใจร้อนกับคนใจเย็นสตินี่แหละสติถ้ามีสติก็จะใจเย็นเพราะสติจะควบคุมอารมณ์ได้ เป็นเบรกไยสติให่ไปเหมือนเบรกใจเราเหมือนรถวิ่งลงเขาอย่างนี้ถ้าไม่มีเบรกมันก็จะร้อนโลภโมโทสันก็จะแรงเวลาโลภก็โลภแรงเวลาโกรธก็โกรธแรงแต่ถ้ามีเบรกมีสติคอยคอยเบรกมันไว้เบรกมันไ ว, มนไว้มันก็จะโลภกรหลงไม่ไม่แรงมันจะเบาไม่พุทธโทนี่แหละการที่มีสติอยู่กับตน คอยดูคอยควบคุมการเคลื่อนไหวควของความคิดของเราให้มันคิดน้อยๆ อ, อย่าไม่ให้มันปรุงแต่งมากถ้าไม่ปรุงแต่งได้ยิ่งดีไาไม่ปรุงแต่งแล้วใจมันจะเย็นจะมีความหนักแน่นถ้ามันปรุงแต่งมันก็จะร้อนโลคโมโทสั่ง่ายโมโหง่ายโกร่งง่ายเปงพยายามฝึกสติแ สติตัวนี้สำคัญที่สุดจะทำให้สิ่งต่างๆที่ดีทั้งหลายปรากฏตามมาต่อไปไม่ยากเลยเราทำได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่ไม่ต้องไปอยู่ที่วัดอยู่ที่ไหนเราก็ทำได้ท่องพุโทโธพุโทโธไปภายในใจอยู่เรื่อยลองทำดูเราจะเห็นความแตกต่างในใจของเราเลยใจที่เคยรุ่มร้อนจะเย็นลงไปเยอะเลย กคิดว่าพอสมควรแก่เวลานะวันนี้เกือบจะสองชั่วโมงแล้วก็ขอให้ได้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิด